ตอนที่หลวงพ่อเขียนอายุประมาณ50าสิต้นๆก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วท่า น, านเคยพูดว่าชีวิตของท่านที่เหลือเนี่ยจะอุทิศให้กับสองอย่างนะ1ต้นไม้หรือป่าสองกรรมฐานเรียกว่าให้กับสองสิ่งเนี่ยครึ่งๆเลยนะ ครึ่งหนึ่งเนี่ยอุทิศให้ป่าหรือต้นไม้อีกครึ่งหนึ่งก็อุทิศให้กับกรรมฐานและท่านก็ได้ทำสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้นะจนกระทั่งมาถึงวราระสุดท้ายของท่านแม้ว่าล้มป่วยก็ยังมีเวลาให้เวลากับการ รดน้ำต้นไม้ถึงแม้ว่าจะไปดูแลป่าไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ยังให้คำแนะนำในเรื่องการภาวนาหรือกรรมฐานแม้ว่าจะพูดไม่ได้ก็เขียนให้ข้อคิดเตือนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันสำคัญนะของหลวงพ่อเนี่ย ในความรู้สึกของพวกเราก็คือวันเกิดแล้วก็วันมรณาภาพของท่านเนี่ยพวกเราก็จัดกิจกรรมนะเพื่อระลึ ก, ลกถึงท่านนะเพื่อสนองหรือว่าเตือนตนนะให้ระลึ ก, ลกถึงคาสอนหรือการ อ, อุทิศตนของหลวงพ่อสองเรื่องเนี่ย ทุกปีทุกปีอย่างวันเกิดท่านเนี่ย12สิงหานี่เราก็มีการปลูกต้นไม้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปปลูกที่ผู้หลงซึ่งเป็นที่ที่ท่านจำพรรษาสุดท้ายนะที่นั่นนะก็ปีนี้เราก็ ทำเช่นเคยไม่ว่าจะทําเล็กๆเพาราะสถานการณ์โควิดนะไม่อำานยให้มีผู้คนมากมายมาร่วมปลูกป่าได้นะคราวนี้พอถึงวันคล้ายวันมรณะภาพของท่านเราก็ช่วยกันมาทํากรรมฐานนะมาเจริญสติกัน ปลูกป่านี่เราก็ปลูกป่าตอนกลางวันนะตอนเช้าเชตอนสายสายในวันคล้ายวันเกิดของท่านแต่พอถึงวันคล้ายวันมราณาภาพของท่านคือพรุ่งนี้เนี่ยเราก็กลางค่ํากลางคืนเราก็มาภาวนากันมาเจริญสติมาสร้างความรู้สึกตัวมาภาวนาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อม เราก็จะทํากันในคืนนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าบูชาคุรหลวงพ่อทั้งสองภาคนะภาครักษาป่ารักษาธรรมชาตินะกับภาคกรรมฐานซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวใจ หรือเราจะเรียกภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นตัวตนของหลวงพ่อคําเขียนก็ได้ถึงแม้ว่าจริงๆตัวตนมันจะไม่มีนะแต่ว่าเนี่ยคือแก่นแห่งความเป็นตัวหลวงพ่อนะปลูกป่ารักษาธรรมชาติเนี่ยกับทํากรรมฐานนี่สําหรับหลวงพ่อแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกันมากนะเป็นเพราะหลวงพ่อได้ทํากรรมฐาน จนเข้าใจธรรมเนี่ยท่านก็เลยเกิดความซาบซึ้งในธรรมชาติเกิดความรักเกิดความพวงยายธรรมชาติก่อนนั้นนั้นในท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีความรักต้นไม้อะไรเลยสมัยเป็นคารวาในเดินผ่านต้นไม้บางทีก็เอาพระเอามีดฟันอาจจะเพื่อถางทา ง, ทางหรือ อาจจะเป็นเพราะว่าความคุ้นเคยก็แล้วแต่แต่พอมาทํากรรมฐานนี่เข้าใจทำนะเกิดความรักธรรมชาติขึ้นมาก็ทําให้ท่านเนี่ยมาปักหลักอยู่ที่สุกโตแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นผู้สร้างวัดหรือก่อตั้งวัดนะแต่ว่าท่านก็เป็นกําลังสําคัญทีเดียวนะตั้งแต่เริ่มต้นนะสุกโตเนี่ยในการฟื้นฟูนรักป่า แม่ป่าจะถูกทำลายเพราะมีคนมาตัดโดยพระบริษัททำไม้เพราะสมัยก่อนนะ่สุกโตก็อยู่ในเขตสัมปทานของบริษัททำไม้ด้วยนะเมื่อปี 1-2 เนี่ยต้นมากก็ถูกตัดไปเยอะและต่อมาก็มีไฟนะไฟป่าก็เผาทำลายแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ปล่อยป่ยปาละเลยนะก็พยายามฟื้นฟูปลูกต้นไม้ วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่านะแล้วก็รักษาป่าป้องกันไฟป่าไปพร้อมๆกันซึ่งตอนหลังก็ได้ผลนะเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยชาวบ้านก็มาเป็นกําลังนะเดี๋ยวนี้ป่าสุกโตก็มีต้นไม้เยอะต่อหลังท่านก็ไปให้ความสําคัญกับป่าที่พูดหลงแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าป่าเป็นพื่อนนั่นนะแต่สนใจต้นไม้รักต้นไม้เป็นต้นๆด้วยนะ ตนไม้ไหนเหี el, นะ่ยวใกล้ตายท่านก็พยายามช่วยฟื้นฟูอนุบาลให้กลับมามีชีวิตแข็งแรงอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะความ่วงใหญ่ในธรรมชาติซึ่งก็เกิดจากการที่ด้านได้เข้าใจธรรมะด้วยอ น, นิสงค์ของกรรมฐานนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยธรรมชาตินี่มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยรักกรรมฐานได้มากขึ้นนะ กรรมฐานไม่ได้เพียงแค่ช่วยทให้เรารักป่ารักต้นไม้ในทางกลับกันเนี่ยป่าหรือธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยรักกรรมฐานหรือว่าเจริญงอกงามในการบาเพ็ญทางจิตได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะที่หลวงพ่อท่านพยายามที่จะรักษาป่าไม่หมาจะเป็นสุกโตหรือว่าผู้หลงหรือแม้กระทั่งปูเขาทองเนี่ย ที่เคยเป็นแต่พื้นที่แห้งๆโลงๆ่งๆท่างกะปลูกต้นไม้โดยเพราะมีต้นนิโครดเป็นหลักเป็นประธานอันนี้เพราะว่าท่านเห็นว่าเนี่ยความร่มรื่องธรรมชาติหรือที่เดี๋ยวนี้ทางพูดเราเรียกว่ารมั น, นีเนี่ยสถานที่รมั น, นีเนี่ยซึ่งเป็นคาที่ลืมกันไปแล้นะแต่ว่ามีความสำคัญมากเพราะว่า มันก็มีส่วนช่วยทําให้คนเนี่ยจิตใจสงบจิตใจน้อมไปในทางบําเพ็ญกรรมฐานนะทำความรู้สึกตัวเพราะ น, นั่นเนี่ยนะนะถ้าเราดูแลรักษาปา่ารักษาธรรมชาติดีเนี่ยมันก็ช่วยเป็นการเชิญชวนให้คนเนี่ยมาทํากรรมฐานแล้วก็เจริญก้าวหน้าในกรรมฐานได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่ากรรมฐานนี่มันจะ ปฏิบัติได้ทุกที่นะแต่ว่าสถานที่สงบสงัดโรมนีนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะทั้งกับผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่อยู่กลางๆงหรือแม้กระทั่งผู้ที่นะใกล้ถึงมรกถึงผลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามาถึงวันที่คล้ายวันสำคัญนะของหลวงพ่อเนี่ยในความรู้สึกสำนึกของเรานะเอาเราก็ ทำสิ่งเหล่านี้แหละปลูกต้นไม้รักษาป่าเราก็ทําไปแล้วในวันคล้ายวันเกิดนะอันนี้วันคล้ายวันมรณภาพเลยเราก็มานะร่วมใจกันนะมาภาวนาเป็นกรรมาฐานนะซึ่งจะว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องเดียวกับการรักษาป่าหรือการปลูกป่าในด้านนึงเราก็ปลูกต้นไม้ เพื่อเกิดความร่มรื่นกับสิ่งแวดล้อมทำให้ธรรมชาติกลับมาคืนสู่ความปกติทำกรรมฐ า, านเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็คือการปนะลูกต้นไม้ในใจเราปลูกต้นไม้ในใจเราเพื่อเกิดความร่มเย็นนะต้นไม้ที่ว่านี่ก็คือต้นแห่งสติต้นแห่งความรู้สึกตัว หรือว่าต้นแห่งปัญญาหรือโพธินะในทางพุทธเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนนี่มีโพธินะโพธินี่มันจะหมายความทั้งการตัดสรุ้ความตื่นรู้หรือจะเปลี่ยนมันก็ต้นโพ ก, ก็ได้นะซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าเนี่ยตัดสรุเ้เมื่อเราจเจริญกรรมฐานเนี่ยคือเรากำลัง ดูแลรักษาแล้วก็หล่อเลี้ยงให้โพธิในใจเราเนี่ยจะเริองอกงามซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เกิดนให้เกิดความร่มรื่นในจิตใจความสงบเย็นในจิตใจเขาเรียกว่าร่มเย็นนะด้วยต้นไม้นะแล้วก็เย็นใจนะด้วยร่มธรรม เพราะนั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าเราปรารถนาความสงบเย็นในจิตใจเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลโพธิในใจเราสร้างความสึกตัวเจริญสติจะเรียกว่าสติแต่ละขณะความสึกตัวแต่ละขณะเนี่ยมันเหมือนกับน้ําทิพนะที่ค่อยๆหล่ อ, อเลี้ยงโพธิในแจงเราให้เติบโต ทีละน้อยทีละน้อยนะต้นโพเนี่ยนะหรือต้นนิครอเนี่ยตอนเล็กๆ เ, เนี่ยนะเม็ดของมันเนี่ยนะกะเจ็ดลิตรเลยนะแต่ว่ามันมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นต้นใหญ่ได้อย่างต้นนิโครอหน้าสุกโตรหรือต้นนิครอดที่ใบปูก ะ, ะทองนี่ใหญ่นะ ใหญ่มากนะแผ่กิ่งก้านสาขาที่เรียกว่าร่มครึ้มนะสร้างความร่มครึ้มไปทั่วรอบบริเวณแต่ไม่น่าเชื่อนะเกิดจากเมล็ดเล็กๆนะแต่เพราะว่าได้รับการดูแลอนุบานอย่างดีนะจนกระทั่งเขากลายเป็นไม้ใหญ่ให้เป็น เพื่ให้เป็นที่พึ่งพาของสัตว์และสิ่งมีชีวิตนานาชนิดพอที่ในใจเราก็เป็นกันนะแม้ว่ามันาจจะดูอ่อนแอเพราะว่าขาดการดูแลใจใสแต่ว่าถ้าว่าเราดูแลอนุบาลดีๆนะเม็ดเล็กๆ เ, เนี่ยก็จะกลายเป็นต้นกล้าและจากต้นกล้าเล็กๆน้อยๆอ่อนแอจะกลายเป็นไม้ใหญ่นะ ลำต้นหลายคนโอบแล้วก็สร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณโดยรอบได้งั้นก็ขอให้เรานะม า, าใส่ใจนะกับการดูแลรักษ า, าต้นไม้ในใจเราคือต้นโพชินี่แหละนะและการที่เรามาทำกรรมาฐานร่วมกันในวันนี้นะก็เป็นส่วนใ น, ในการกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญ ของการภาวนาแล้วก็เป็นการฝึกให้เราเมีวิริยะนะมีความเพียรมีขันติธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะช่วยทำให้เราพื้นฟูหรือว่าเสริมสร้างโพธิในใจเราได้ต้นไม้ในใจเราเนะมันก็เหมือนกับต้นไม้ภายนอกเนี่ยมันต้องใช้เวลา เราก็ต้องค่อยๆลดน้ำไปเรื่อยๆถ้าไม่ลดน้ำด้วยเราด้วยมือเราก็ลดน้ำจากฟ้าจะให้โต ว, วันโตคืนรวดเร็วทันใจนี่ไม่ได้ต้นไม้เนี่ยโพธิในใจเราก็เหมือนกันนะมันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความตั้งใจและความรักคือฉันทะการทำความเพียรวันนี้ก็คือการระดมนะฉันทะวิริยะ จิตตวิมังสาหรือทีเดียวนะเพื่อทำให้โพธิในใจเราก็ค่อยเจริญงอกงามไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไรก็ตามขอเชิญชวนนะจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่วัดก็มาร่วมกันทำความเพียรในวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสี่เลยนะเอาแล้วก็เตรียมรับพร ชิตังปฏิตังตุมหังคอยท่ผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ปเมวสมีชะตุต้องสำเร็จโดยฉาพรานสาเพปูเรนถุสังกัปาพอความดำริทางกวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยัธาเมือนพระจันนในวันเพนมณนิโชติระโสยัธาเมือนแกวมณนิอันสว่างสวัยควรยินดี สาพีติโยวิวาชันตูวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพาโรคโควินัสตูโรกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตบันตรโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติวายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาพิวาธนาสิริสันิจังุทธาปจายโนจัตตา ร, รธุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุภังพลังทางสีปากาคืออายุวันนาสุภะพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกราบปกติอานนอนตอผู้ใหญ่เป็นนิภาวานตุสาพมังคลังพสาพมงกลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสาพรเทวตาพอ ร, ราเทวดาต่งควรจงรักษาทานสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภาวันตุเตพอความสวัสดีทางหลาย ย่อมมีการทอนทุ่อเธอ